<c oughs> <c oughs> อ่ะไม่ต้องรีบร้อนไปไหนเราใจ ด, ดีใจเย็นๆจะให้ใจบังคับเราอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นนิพพานคือใจเย็น ถ้า ใ, ใจดีก็มีสวรรค์ถ้าใจร้ายก็มีนรกมันมันอยู่ที่ใจนี่แหละอาใจเอาไว้ก่อนอันอเดินค่อยต่อรองที่หลังวันนี้เรามาสวดมนต์ถวายพระพรจะสำเร็จพระสังฆราช เด็นคนมหาสังฆปิญายกพยานสังวรวัดประวรนีิเวศวิหารเป็นครบรอบเก้าบปีนะรัแปดเก้ารอบแปดแปดรอบสองปดเก้าห นอนป่วยที่โรงพยาบาลเดียวกันกันกบหลวงพ่ออยู่คนละตึกมองเห็นกันอยู่หลวงพ่อยังไม่ตายสมเด็จจัการาก็ยังไม่สวรรคตนกขเราก็สวดบนสวายพระพรเพื่อให้เป็นมงคลมีแต่บท ด, ดีๆที่เราสวดนนะ่ะ นายบ ท, ทเจนะ้าตัวแต่เราเป็นภาษาบาลีเราไม่รู้ถ้าว่าเป็นภาษาไทยนี่โอยศักดิ์สิทธิ์มากแต่ภาษาบาลียิ่งศักดิ์สิทธิ์มากไปศักดิ์สิทธิ์คือทำไห้สำเร็จทำไม้สบาย สักสิทธิ์ที่ไม่ต้องมีอะไรว่าก็มีเหมือนกันมีธรรมะมีจิตใจที่เย็นใจที่ดี <c oughs> ใจที่ฉลลาดอันนี้สักสิทธิ์เหมือนกันมีลิฤทธิ์คือทำให้สำเร็จ เวลาโกรธไม่โกรธสำเร็จเวลาทุกข์ไม่ทุกข์สำเร็จเวลาหลงไม่หลงเราสำเร็จเวลากลัวไม่กลัวเวลากล้าไม่กล้าสำเร็จอ่าสำเร็จสำเร็จอยู่ต้งไหนอยู่ตรงปกติไม่ฟูไม่แพบไม่หวั่นไหวไม่ถึงเครียดไม่ย่อหย่อนครามพอดีพงงามคือที่อยู่ของใจเรา โดยพราพวกเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันก็สักชิพไปเรื่อยๆสําเร็จไปเรื่อยๆสำเร็จสําเร็จพราะอะไรสำเร็จเพราะเห็นกายไม่มีตัวไม่ตนในกายที่ว่าสําเร็จแล้วกายา น, จจนามปัญญาสติปัฏฐานน้ื่อกายมาเป็นสุขเมอ่กายมาเป็นทุกข์ แล้วกายไปทดลองกับอะไรได้กินนั่นคงจะมีความสุขได้ไปนอนคงจะมีความสุขได้เดินคงจะมีความสุขได้นั่งคงจะมีความสุข <c oughs> ได้ไปเที่ยวเตยเลยล่อนที่น้อนที่นี้จะมีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของกายที่มันสั่งเรารอไม่ให้กายมันสั่งเราไม่หาความสุขเพราะกาย กายว้เป็นเครื่องมือสร้างสติปัญญาเพื่อกายยานปัญญาสติปัฏฐานเห็นกายเป็นกายแท้แท้ไม่เป็นตัวเป็นตนเรื้องต้นก็สําเร็จไปแล้วเห็นเมตนาที่มันสุกมันทุกข์กับกายกับกจิตมันก็ไม่สุกไม่ทุกข์ เป็นอาการเป็นจักแต่ว่าเวทนาเห็นเวทนาไม่เป็นสุขเป็นทุกข์น่าหว่าสําเร็จแล้วถ้าเป็นทางผ่านก็ผ่านได้แล้วไม่มีเลยขวงกันไม่มีความสุขขวงกันไม่มีความทุกข์ขวงกันผ่านไปได้เห็นจิตที่มันคิด อันย่อมคิดคนเราเน่ยเพราะมีจิตจิตมันมีหน้าที่การคิดนันอยู่นิ่งไม่เป็นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนลีงเหมือนลิงมันอยู่ไม่เป็นอะ่ะไม่เคยเห็นลิงนั่งอยู่เฉยมันก็หยิบน่นหยิบนี่อยู่อะจิตของเราก็เหมือนกันมันอยู่นิ่งไม่เป็นนั่นแหละเราเห็นมันจ้ะ อย่าเข้าเวทไปกับจิตแต่เรื่องมันมากจิตเนี่ยถ้าเราไม่เห็นมันมันคืนเราไปทั้งหมดเลยชีวิตเราไปกับจิตหมดยิ่งใหญ่มากเราก็ยังมาเห็นมันไม่เป็นโุกเป็นทุกข์เพราะจิตไม่ อะไรที่มันทําให้กิตที่มันแสดงออกไม่มีมีแต่กิดธรรมดาปกติธรรมดากนเรียกว่าสำเร็จแล้วมีฤทธิ์แล้วผ่านได้แล้วเห็นธรรมอาการที่เกิดขึ้นกับป่ากับใจเป็นความเฉลลาดเป็นความโง่เป็นความสุข เ, เป็นความทุกข์เป็นความวามีจินมีสมาธิมีปัญญามี อกุศลละกิตมีความมุ่งเอานอนเห็นมันเป็นธรรมเป็นกุศลเป็นธรนธรมเป็นอกุศลอย่าให้มันจะชักเราได้เหมือนกับสายสนตภาคควายเขาสายมองเหียนอะไรต่างๆอย่าให้มันดึงเราได้ให้เรารู้ ทำแปลกว่าทําไม่เชี่ยวชาญบุคคลตนตนเราเขาเสําเร็จแล้วมีฤทธิ์แล้วพระโยคาวาจอนผู้ฝูกตนย่อมมีความสําเร็จไปเรื่อยๆจนมาเห็นรูปเห็นนามรูปทํานามทําเคลื่อนไหวอยู่นี้มันเป็นรูปที่มันเคลื่อนไหวเป็นมันเป็นนาม ทำไมามันเคลื่อนไหวไม่เป็นเพราะมันมีนาม้าเสาสะระมันเคลื่อนไหวไม่เป็นก้อนหินก้อนดินเคลื่อนไหวไม่เป็นแต่มันก็อยู่ในตรักเหมือนกันควเมื่อเที่ยงก็ไม่ยั่งยืนเปลี่ยนไปเรื่อยๆรูปธรรมนามธรรมคือมันทําดีมันทําชั่วรูปทุกนามทุกมันเรารูปเป็นทุกเอานามเป็นทุก รูปสุกนามสุกปนารูปเป็นสุกน่านน้เป็นสุกสุก ข, ของรูปสุก ข, ของนาำมีเยอะแยะทุกของรูปทุกของนาำมีเยอแยะมันทําอะไรอ่ะแล้วก็ทําหน้าที่ของเขารูปทําตอจระอมทําหน้าที่ของรูป นามก็ทำหน้าที่ของนามเ้าจึงมาเห็นมันเป็นกองอันหนึ่งเป็นก้อนอันหนึ่งรูปทํานามทำทำมาหนึ่ ง, งตัวธงพอธงรอเรือสองตัวมอมา้าอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมดามาเห็นรูปทำบบํำมาไหมมันโอ้ยมันเป็นอาการของรูปมันเป็นอาการของนามเนอ ความร้อนเป็นอาการของรูปความหนาวเป็นอาการของรูปความหิวเป็นอาการของรูปความเจ็บความปวดเป็นอาการของรูปหนอมันเป็นธรรมชาติจริงๆไม่เคยเป็นใหญ่ได้กฎของธรรมชาติก็มีอยู่ในธรรมนี่เหมือนกันจาให้มันเป็นไปตามกฎตามเวรตามกรรมมัน เช่นกิเลสกรรมวิบากนันก็เป็นรูปธร ร, รมเหมือนกันมันทำเช่นชนสุบรีเพราะสูบจึงติดเพราติดจึงอยากเพรอยากจึงสูบพราสูบจึงติดเพราติดจึงอยากพรอยากจึงสูบพระสุบจึงติดพ ร, ต, จจพรพติดต จ, จึงอยากมันก็เป็นธรรมชาติเป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากไปเพราะใช้รูปใช้นามผิดประเภทไม่เป็นธรรมชาติ มันเป็นกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติก็มีความดีความชั่วกฎของธรรมชาติก็มีความผิดความถูกเหมือนกันพอทำสีนี้สีนี้ก็มีพอหลงมันจงึงโกรธพอหลงมันจึงทุกข์นี่เป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่เรา เพราะมันปล่อยปะแล้วเลยชีวิตของเราเนี่ยเราจึงมาดูมันนี่มันเป็นอารมณ์กรรมาฐานม <c oughs> ันสอนเรา <c oughs> แล้วก็เห็น <c oughs> โลกทานามทาเห็นโลกโลกนามโลกโลกของรูปก็มีโลกของนามก็มี ลูกของลูกเนี่ยต้องไปหาหมอเจ็บไค่ได้ป่วยหิีวข้าวก็กินข้าวหิวน้ำก็ดื่ม น, น้ำหนาวก็ห่มผ้าร้อนก็ผิงไฟตากแดดให้เป็นโรคกันหนึ่งลูกคนนี้มันเกี่ยวข้องกับวัตถุอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูก ไม่ใช่รูปมันอยู่คนเดียวมันมีอะไรที่อาศัยหลายอย่างใีธรรมชาตินีแผ่นดินมีป่าไม้มีก้อนเมฆมีดวงอาทิตย์มีน้ำฝนมีแสงแิดเกี่ยวข้องกับรูปทั้งนั้นที่ว่ารูปโลกนามโลกบางทีมันเจ็บแค่ไหนป่วยบางทีมันก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นโลกอยู่มัน ระวังให้ดีตอนเป็นโรคอยู่โรคที่แน่นอนสุดคือการเกิดเจ็บตายอันนี้เป็นโรคของโรูปรคโร ก, โกนามโรคอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับบุคคลที่หนึ่งที่สองอันโูปโรคเกี่ยวกับวัตถุปัจจัยหลายอย่างเขยวเข้า กินข้าวถังว่ารูปโลกสําหรับนามโลกนี่คือความทุกข์ความรักความชางังความไว้ตกกวามวุเศร้าหมองรวมเพียรเชื่อมเชิงจังให้เป็นนามโลกนามโลกอันนี้ไม่มีเกี่ยวกับวัตถุทึงที่สองเกี่ยวกับเราทั้งนั้นเกี่ยวกับสติการเป็ัญญาอันนี้ตรงเป๊ะเลย ปฏิบัติทำ ม, มาเจริญสติมามาสรุปอยู่ต ร, ตรงนี้่นามโลกตรงนี้นามโลกตรงนี้เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันทีถ้ามันเป็นโลกก็ปฏิบว่าสังขารก็เปลี่ยนไปวสไิสังขารได้สังขารคือสุขสังขารคือทุกทุกใจทุกขีดทุกใจสังขารคือโลกสังขารคือโกรธสังขารคือหลง อ่าก็เปลี่ยนไปวิสังขารได้หรืว่าเปลี่ยนไม่มันเป็นไปตัดวงล้อมันซะเหมือนขอบกระด้งแแบมันด อ, อกกวัวทิ่งไปเฉยๆตาเห็นรูปกวัวทิ่งไปเยิยๆไม่กิ่งเหมือนเมื่อก่อนอันนี้เรียกว่านามโลกรูปทุกน้ำทุกรูปก็เป็นทุกหนหนังหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกของรูปคือน้าลายพลิบตา เด็นเดนนั่งนอนกินถ่ายอิม่มยิ่มมากก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนกันหิวมากก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนกันทุกของโูกมีมากพรุทธเจ้ายังมาตื่นทุกข์กันเนี่ยปัดทุกข์ถว่าบ้านเราก็ปัดทุกข์ถว่าภาษาพระุทธเจ้ า, าพุธทธท พุโทโธคือผู้รู้ผูผ้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมตื่นตอกจากทุกข์หยุดทันทีเหมือนเราเห็นงู่จงอางหยุดทันทีอย่าไปใกล้มันไม่รู้เรื่องก็หยุดทันทีพอหยุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันสังขารกักนเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ไดสังขารมันก็หยุดเลย สิที่มีพิษก็ไม่มีพิษเกลือก็ไม่เค็มพริกก็ไม่เผ็ดเสือก็ไม่ได้กัดเราเพาเสือคือกิเลสความลักความชังคือพริกคือเกลือมีรสชาติในความรักมีรสชาติในความชังมันก็ไม่ใช่เราเราก็อยูแ่แต่เรือว่าสิสังขารรูปเนี่ย สังขารปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกวิสังขารวินิพพานดังประมังสุขของนิพพานเป็นสุขเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้อะไรที่ไม่ได้ดังใจไม่มีมีตัวนี้ได้ดังใจเราได้เรียกว่ามีฤทธิ์มากตรงนี้มีฤทธิ์ที่ปฏิหารมากไม่ใช่ห่อเหินเดินฟ้าไปไหนฤทธิ์ที่ทำมาสาเร็จ อดิหารคือทำให้สำเร็จความร้อนทำไมมีเย็นลงมาใจนี่ทุกของรูปทุกของนามมันก็สรุปลงว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของรูปเรื่องของนามที่มันเป็นรูปโลกนาโลกรูปทุกนามทุ ก, ทกรูปทำนามทำตกอยู่ในสามัญลักษณะไม่เที่ยงทั้งนั้น ทำนายไม่ได้เล ย, เลยอันนี้ก็มาเที่ยงดความโกรธก็มาเที่ยงความรักความชังก็มาเที่ยงความดีใจเสียใจนันก็มาเที่ยงอย่าทาตามมันมันเป็นไตลักมันเป็นสามัญลักษณะมันเป็นความจริงของเขางั้นจะเที่ยงก็คือตัวกระทําที่เปลี่ยนมันไม่ใช่รูปไม่ใช่นาม เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวน่ยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเป็นสุกเป็นไม่สุกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนี่ยตัวเปลี่ยนตัวเนี่ยเหนือโลกระเบิดไม่อยู่ในแต่รักตัวแน่ถ้าสุขถ้าทุกข์ต้อโกรธโลบหลงอยู่ในแต่รักทั้งนั้นทั้งคอบความย่ํายีเราจู่เราจึงมาเห็นตัวนี่แหละถ้าเห็นแต่รักตามความจริงไม่ลู่จีรอบจีหมื่นจีพันรอบ ที่มันผ่านมาให้เราเห็นอะไรก็แต่รักอะไรก็แต่รักอะไรก็แต่รักจะเลินใจแต่รักอย่างเดียวเอียงไปไหลไปสู่มรรคสุผลได้เลยเลยนี่ยอารมณ์กรรมฐ า, านเดินทางมาทางนี้เดินมาจากนี้กรรมฐ า, านเราทํามาเนี่ก็ไปอนี่ไปแบบนี้ไปแบบนี้อ่ะไม่ใช่ไปนั่งหลับหูหลับตามันก็มีรถมีชาตบเหมือนกัน เป็นสมถะก็มีรถเหมือนกันแต่รสรสอนั้นเป็นรถที่กบเกลื่อนมากับเอาศิลาไปทับหญ้าหญ้าไม่เกิดก็ยิงแต่มันมีศิลาทับอยู่เมอใช่ของจริงวเวลาทาสมถนะเนี่วิววิววิ ว, ว, ว, ว, ว, ว, วเราจะนอนหลับขอไว้ก่อนอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับ ต้องเอินตาพยายามกระดิกนิ้วอย่าเพิ่งหลับจะเพิ่งหลับเอาสักสี่นาทีห้านาทีก่อนมันก็วิววิวเข้าไปแล้วโลชั่งตัวขึ้นมาอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับสมงศาก็เหมือนกันบางทีมันชวนด้วยวิววิวเข้าไปนคนนอนหลับหลั บ, ลบภายใหนหลับสงบคนนอนหลับคนที่เกียจเีค้านคนไม่ทําอะไร แล้วก็ทําให้คนติดเหมกันนะติดการนอนติดความสงบติดความสุขติดเหมกันนะสมถะสิปีสิ ป, สปีก็ติดอยูแล้วแะวนดังหลักหูหลับตาอยูนะ่ถ้าเป็นนักสมถะเต็มตัวเราไม่ก้าวหน้าไม่เจริญในพัฒนาเลยตัวใครตัวมัน เหมือนหลวงพ่อไประโยชน์ถ้าพระพี่หลวงพ่อจงมุนปอยู่สมัยก่อนหลวงพ่อจงมุนยังไม่ไประโยู่พระอยู่เั่นเป็นนักสมถะหวกขึ้นเสากติก็ไม่ไล่นั่งรับตาเถ้าไหมขึ้นผ่านเสาขึ้นไปเปนเถ้าก็ไม่ให้ไปทําอะไรมันนั่งอย่างเดียว พวกก็กินขากินกันฟังไปก็ไม่ไล่เล ย, เลยโอ้ยสมมติเป็นนี่นอะงให้โยมมาไล่อาจารย์ทำไมไม่ไล่พวกอันไปโมงชัางไปกินตัวนั้นหมดแล้วไล่ออกไม่ใช่ให้โยมมาไล่เอาไม่แต่มันพันขึ้นไปนะ่ะ้าออกนะไม่ต้องให้โยมมาออกสมมติปนอนะ่ะไม่ได้กินแล้ว เา อ, อยู่สูโตไอ้คนเราเข้ามาส่งต้องเป็นฉบาตาขนตัทุกวนันต้องเป็นวิปั จ, จนาจีวิปั จ, จนาลุยได้ไม่เป็นทุกข์ใจตาก็เห็นได้ตาไม่เลยเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่ ห, ญหูก็ฟังได้หูไม่เป็นใหญ่สติเป็นใหญ่เรียกว่าสติอินทสียใหญ่กว่าตาของหู นี่เราฝึกตัวนี้กัน<ม> อ, อารมณ์กรรมฐานไปสมองในโจนเดินไปเดินไปฮา อ, อ, อะไรก็ไม่ไปไกลหรือเกินไปเฉ็นเฉนสมาธิปัญญามีความสุขเพราะมีสินมีความมัมั่นคงหนักแน่นเพราะมีสมาธิมีปัญญาเฉียบขาดเฉินไหลทะลุทะลวงไปเราเจอบางคงมาหาขันห้า รูปยธนาสัญญัญสงขา ญ, ญาายานี่ใช้ไปตลอดเอ้ามาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเอามามอยู่ตรงนี้เลยเอามามาดูมาดูลูกลูกไม่ใช่ลูกบนนั่งอย่างเนี่ยลูกของกันหน้าตาเห็นลูกก็เป็นลูกหูได้ยินเสียงก็เป็นลูก จาโมูหได้กินก็เป็นลูกกายสัมบัติเขาเป็นโลกรูปปรนนันเป็นโลกอุปาทานไม่อยาจะหน่อยจนะกเราก็มาลูไปลูบไปลูไปลูไปดูไปไปเหมือนเห็นคนห้าคนทำงานแข่งขันกันขยันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบใจมันลีง ใมัลีงลี้งก็จะขึ้นต้นไม้หูเหมือนหรหูเหมือนนกนกก็จะบินขึ้นฟ้าจบูเหมือนจุนักลูกสุนัขกินในแดนบ้านลูกสุนัข ก, ก็วิ่งเข้าแดนบ้านมึงตัวแดงออกมาจบ้านข้างนอกไปว่องวิ่งเข้าไปแดนบ้านโฉกเหมือน ลูกสุนักอยู่ในแดนบ้านกายเหมือนสุนักหมาเชีงจอกสุนักป่าก็าจะวิ่งออกป่าลิ้นเหมือนจร ะ, ะ เ, เข้ก็จะกินอะไรจะอะไรจะอะไรไม่ไม่เขี่ยวเหมือนขันหน้าจะไหนไม่เขี่ยวอะไรเลยความดีใจก็เกินลงไปแล้วความเสียใจก็เกินลงไปแล้วยึดไว้แล้วความชอบไม่ชอบก็ยึดไว้แล้ว ยจะวิ่งลงน้ำเอ้าอะไรอีกล่ะฮะหูดิหูหูหเหมือนนกนกก็กจะบินขึ้นฟ้าเสียงชอบอากาศนะหมูชอบเสียงอะไแใส่ฮะโอ้เป็นกระบวนขันที่มันร้างอุปทานหามามาป่อนให้อุปทานยไว้ยอะตัว้ยอะ พอเห็นมายาสาไทยของขนนันธ์ห้าน่ะว่าโถเราจรึงสวดมนต์ว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์พราะพุทธเจ้าก็ทรงทังสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างนี้เป็นส่วนมากถ้าโดยย่อเขาไปมาอุ้มมันก็ จับได้อะไรสันแยกกันเลยคนหน้าคนหน่อยไม่สมานนกก็ไม่ไปไหนงูก็ไม่ไปไหนงูงูเหมืนตาแเนอะงูเหมือนตางูก็จะเข้ายอมปวกงูเนี่ยมีหน้าที่เข้าจอมปวกอย่าง อ, อ่างหางมื ด, ดๆดําลงหนังล้อคอนเขาปิดไปก่อนงุ่นก็ไป อะไรที่เขาปิดเขาบังไว้อยากดูอยากเห็นมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเหมนกับตานมันกูห้าสัตว์ห้าชนิหยุดลงเลยไม่ไปนั่งหันหลังให้กันไม่ไปแล้วลุกไม่ไปแล้วไม่พอแยกกันไปเลยแตกกระจายไปเลยพระพเจ้าจะว่าปณิพานคืออเไรขันห้า นิพพานตรงไหนอยู่ขันนะโอ้หมดแล้วบป่หมดเนื้อหมดตัวแลวปแล่แล้วก็รอบหนึ่งสองรอบสารอบไปเลยเพราะฉะนั้นในอะไรต่างๆนะนี่มันพูดแบบแผนที่ <c oughs> พูดแบบแผนที่เมื่อก่อนเล่าเรื่องไปใชียกรุงเทพนะออกจากเชพุงมไปไปอ๋อออกจาก แกงข้อไปเชยพรมออกจากเชยพรมไป อ, ออกจากุรัดออกจากจุลัดไปหนองมกอกออกจากหนองมกอกไปด่านคุณต้อตกจากด่านคุณต้ไปสีขิ้ว อ, ออกจากสีขิ้วไปปากช่องออกจากปากช่องไปอะไระอ่ะนะมวกเหลก็กออกจากมวกเหล็กไปอะนะไปแจงคอยไป <laughs> <laughs> ถึยงหลวงเทียม<ป>เดี๋ยวถึยงหลวงเทียมแล้วแต่ว่าการเดินทางมันไม่เหมือนกรบปุกนะ มันร้อนมันหนาวมันเหน็ดมันเหนื่อยมันท้อใจเหนื่อยหน่ายเคยเดินทางไหมพ่อเคยเดินทางจากเมืองเลยไปถึงเชียงใหม่นะอ่ะไปเดินเหมือนกันนะแต่ท่านนักเดินทางเขาไม่เชื่อถือแล้วไมเลือกถึงชุกเก้าเดินไปถึงด่านชายจากเมืองเลยไป ขาแตกเลยขาแตกเดินก็บอกว่ายุดกอนยุดก้อนบอกเพื่อนอะไรรู้อ้อยขาแตกก เ, เดินไม่ได้แล้สวสบเจ้าเอ้าขาแตกไปไม่ได้แล้วแสบพวกเพื่อนหัวาะหัวเราะท ม, ะมีจานสมยัย ต้องไปหาทำไมสิเ อ, เอาเอาเอายามาทามันเปียกๆได้หน่อยอทำามก็มีตุกนอยนอนแถวหนึ่งในบ้านนอนบ้านป่าดูกว่า็นอนจุดนอนหนึ่งขึ้นไม่ได้หรือเปล่าคึ้นแล้แสบนอนอย่างการเดินทางเนี่ยขาก็แตกใช่ไหม แต่เมื่อกลางวันกันปัติปัตทมีก็เหมือนกันนะอะไรที่มาอ้างเยอะแยะไปหมดเลยอ้างอ้างเพราะไม่ให้มีสติเยอะแยะไปเลยเอานี่ก่อนเดี๋ยวลักสักหน่อยก็ดีนะเอาไอ้ช่วยที่หลังสติเอาชังสักหน่อยก็ดีเอาไว้ทีหลังก็ได้อ้าวดีใจสักหน่อยเสียใจสักหน่อยก็ดีเอาไว้ทีหลังสติเห็นมูเห็นแล้วก็หลงไปเอาไว้ทีหลัง นี่การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันแม่นกระบาเดินทางเ้นก็ไปไม่ถึงสักทีแล้วบางทีก็อยากไเกันไปพอเดินทางเพิบอืมแะไชขี่รถไหนทางไม่มีทำไมไม่มีคนมารับไปหรอเอาไปมาคิดหลันั้นก็มีเหมือนกันแดดออกก็น่นาจะพักสะหน่อย เพื่อนก็ไม่พักบางทีเพื่อนก็ชวนพักเราก็ไม่อยากพักเดี๋ยๆเดินไปมาก็สกไปเลยมันแก่แดดมันแก่ความเหนื่อยความเหนื่อยความร้อนความปวดความีที่ขันไม่มีนักเดินทางไม่มีเลยจริงๆขาี่อยู่แม่ต้องเดินอยู่เลย มันชินเหกันนะอา้าพรามันชินต่อการเดินทางเหรอทำไมมีรถมาจอดรับอาจารย์จะไปไหนจะไปบ้านข้างหน้าเนี่ยกัวเขาจะรับไปถึงเชียงใหม่อผมจะไปเชียงใหม่โอ้ยไม่ไปก็เราเนะี่ยจะลงบ้านข้างหน้าเนี่ยพอเขาเิ่งไปถึงว่าเออลงนี่ลงนี่ละพอลงเราก็เราก็เดินต่อไปเขามารับอีกเขาบอกว่าลงไหนอาจารย์ โอจะไปลงพ้นลงมั่นข้างหน้านี่คือไม่ต้องไปอยากอยากเดินมันก็มันก็เป็นแบบนั้นได้แต่ก่อนน่โอ้ยเดินเหน่อยมีคนมาลับขึ้นรถเน่ยโอ้ยดีใจต่อไปตไปไม่เอาละบัดชอบเดินจะเห็นหมู่บ้านต่งตางๆเดินไปรมาข้ามข้ามอะไรทุ่งขุนานท้ำขุนทานทำอะไร ถ้ำคนตานเกจเกียวมเกจกอมอโดนรอดถ้มไปพอเข้าไปก็มืดก็มีแสงสว่างมีไฟฉายที่แรกก็ใช้ไฟฉายต่อไปต่อไปไม่ต้องใช้เขาบอกเบกานั่งรับตาซะหน่อยยืนรับตาเพีงเพีงเพีงฝาผนังถ้ำตั้งยืนลับตาลืนตาขึ้นก็เห็นอลกหลับไปกลื่นใหม่ เ้าไปเช่นเราจะเข้าถ้ำเนะี่ยถ้าลืนตาเข้าไปเลยเนะี่ยไม่เห็นกอนจะเข้าถ้ำต้องหลับตาก่อนไปลืนอยู่ข้างในถ้ำมันจะเห็นทางแบบนี่ก็เหมือนกันเดินไปนับลูกลหลานาไปมีสติไปพอไฟรถไฟมาเอ๊ะเราจ้าดอยเนาะดีไหม <laughs> ฝอยขั้นมาอ้าวแม่ก็เขาเขาทำที่หลบให้นะมันไม่ทำเป็นฝายาวๆเนี่ยมันมีที่หลบซ่องไปสี่คนท่าคนได้ก็หาที่หลบเบียกก็ไปรถไฟก็วิ่งลื่นๆแล้วก็ยืนลงเดินผ่านไปจากลำบางไปถึงลำพูนไม่ถึงลำพูนออกหนุน ออกจากทํำไปเกตกมอมก็ เ, เดินไปพอดีก็มีรถไฟตามไปพอไปถึงสถานีอะไรนะแม่อะไรแม่อะไรใกล้ลำลํำพุนแม่อะไรสถานีแม่อะไรนะน้อยสถานีออกมารับย่ามลับบานเข้าไปห้องพักผู้โดยสารอาจารย์ วีโยมเขานั่งรถขบวนเมื่อกี้เนี่ยมาพอดีรถมาจอดเขาเลยลงมาซื้อตัว๋วให้อาจารย์ห้ารูปเนี่ยขึ้นรถไปได้แล้จะจะลงไหนแต่เขาจองตัว๋วงเชียงใหม่เลยนะตายแล้วไปเราทำไงดีเขาก็ให้พักอยู่นะั่นรถขบวนหลังมาแล้วจะเขาก็มาจอดตั้งแตขึ้นไปได้เลย มาคุยกันหนูข้อเขาเสียงานแล้วปันนี้ถ้าเรามานั่งเนี่ยทำไมอ๋อมันเจตนาของเขานาะมันเจตนาตกลงนั่งรถไฟบ่แต่ยางหดเชื่องไม่จ่อยหอดอ่ะเออไม่สนุกนะนั่งรถไฟเนี่ยไม่สนุกเลยจู้เดินกันเลแต่ก่อนเดินลำบากการปฏิบัติธรรมกันเหมือกันแต ความทุกข์ก็ยิ่งสนุกความหลงก็ยิ่งสนุกเพราะได้เห็นหน้าเห็นตามันเหมือนช่างซ่อมโทรทัศน์วิทยุซ่มอมรถยนตหรือช่างปะยานเขาหาลูลวงมันเอาโฉบลมมุดมาเห็นหน้ามาเลยฮพอเห็นปั๊บก็เกาะเอาอเห็นแล้วเห็นเมื่อเห็นเราก็สำเร็จแล้วมันคืออันนี้มันลว้วน แอบถ้าเห็นแล้วใช่ได้เห็นความทุกข์ใช่ได้เห็นความสุขใช่ได้เหมือนหมออัญญาเนี่ยใช่เหมือนกันแต่หมอเนี่ยต้องดูสมุทฐานของโลกโอัญญาตัวยาเหมือนกันแต่ถ้ายามันไม่มีโลกอย่างนี้นมันก็ใช่ไม่ถูกอันตัวปฏิบัติธรรมต้องเห็น ตัวสติเขาไปเห็นทุกเห็นหลงเห็นอะไต่างๆนะเพราะนั่นเนี่ยปฏิบัติทำรร ม, มันก็มีของจริงของไม่จริงของไม่จริงคือสมมติปัญญาตของจริงคือปรมารจักรตั้งแต่ต้นๆไปนะตั้งแต่เราหลงเนี่ยเป็นสมุปัญญาตตัวรู้เป็นปรมารจักร ก็ไม่มีค่าอะไรความหลงความทุกข์ก็ไม่มีค่าความปกติเองไม่ค่าสมมติบัญญัติประมาทจัจจะสมมติบัญญัติประมัทจัมมญญจจะบอกเราไปไม่มีใครเอาความหลงไม่มีใครความทุกข์ถ้าเป็นพระโยคาวิจรผู้ปฏิบัติแล้วเพราะมันบอกทางมันบอกทางมันบอกมันเราเดินทางทางมันบอกเราไม่เคยไป ป้ายจราจรมันบอกร้อยรถคนวิ่งคนเดินรถวิ่งมับอกเรามันบอกเราวหมือนกันอันนี้เข้ามากันขอให้เราได้ดูดีๆมีสติตลงไปฮะได้ยินหรนนออะไะก็นเนี่ยเอ้าญาติจิตกาพะพร้อมกัน